ในอัตถกถามัชฌิมเนกายมูลปันนาปเนี่ยนะอัตถกถาปาสราสิสูตรได้มีข้อสอบถามเกี่ยวกับประโยคที่บอกว่ า, าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์เนี่ยไม่มีพระประสงค์หรือว่าไม่ทรงแสดงธรรมให้เพื่อจะโปรดผู้อื่นเนี่ยนะที่พระองค์มาตรึกว่าธรรมที่เราบรรลุเนี่ยเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเห็นยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตตรึกหรือคาดคะเนเอาไม่ได้แต่ก็ เป็นสิ่งที่บัณฑิตเนี่ยจะพึงรู้ได้ที่พระองค์ตรัสเล่าว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเรานั้นได้มีความดำริว่าธรรมะที่เราได้บรรลุนี้ลึกเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากเป็นธรรมที่สงบประณีตยอย่างไม่ได้ด้วยความตรึกละเอียดรู้ได้เฉพาะแต่บัณฑิตส่วนหมู่สัตว์นี้เป็นผู้ยินดีเพลิดเพลินในอะไรคือมีจิตใจเพลิดเพลินอยู่ในรูปเสียงเปลี่ยนรสและโภตาภาทั้งหลาย ยากที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทธรรมที่เป็นปัจจัยแห่งธรรมเหล่านี้ได้นยะยากที่จะยังรู้ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเป็นต้นและยากที่จะเห็นธรรมที่สงบระงับดับสังขารทั้งปวงนะยากที่จะเห็นธรรมที่ดับชราและมรณะยากที่จะเห็นธรรมะที่ดับชาิยากที่จะเห็นธรรมะที่สงบพบสงบ ตันหาอุปาทานยากที่จะได้เห็นธรรมะที่สงบผัสสะและเวทนาเป็นต้นเป็นธรรมที่สละคืนขันธูปฏิสละคืนกิเลสูปฐิสละคืนอภิสังขารูปฐิเป็นธรรมที่สิ้นตันหาเป็นธรรมที่วิราคะคืออริยมรรตเป็นธรรมที่ดับคือด้วยอริยผลทั้งหลายเป็นธรรมที่ออกจากตันหาเป็นเครื่องร้อยรัตธรรมะที่ลึกซึ้งคืออริยสัจเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าเราจะพึงแสดงแสดงอริยสัจเช่นนี้เนี่ยนะ คนอื่นไม่รู้ทั่วถึงธรรมะของเราเราก็จะลำบากแล้วก็เหน็ดเหนื่อยเปล่าสอนอยังไงเขาก็ไม่เข้าใจนี่มันไม่ใช่เหนื่อยคนสอนฟรีหรอเนี่ยเปล่าก็คือฟรีบอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายคาถาอันน่าอัศจรรย์เล็กน้อยที่เราไม่เคยได้สดับมาแต่ก่อนก็ได้แจมแจ้งแกเราว่าบัดนี้ไม่ควรประกาศธรรมะที่เราได้บรรลุโดยยาก ธรรมะนี้ชนผู้มีราคะโทสะหนาแน่นตรัสรู้ไม่ได้ง่ายก็ถ้าราคะมีกําลังโทสะมีกําลังเนี่ยนะบรรลุไม่ได้ล้อกอริยสัจเนี่ยนะเพราะว่าเป็นธรรมที่ปราศจากอภิชาและโทมนัตชนผู้กําหนัดด้วยราคะถูกกองอวิชชาคือความมืดหุ้มห่อเอาไว้แล้วย่อมไม่เห็นธรรมะที่ทวนกระแสของโลกเป็นธรรมะที่ละเอียดลึก เป็นเหมือนกับเป็นอนูอนูก็คือเป็นเหมือนกับผุยผงเนี่ยนะคือมันละเอียดอย่างนั้นเนะี่ยลึกเห็นได้ยากดูกรทีพิสูจทั้งหลายเมื่อเราคิดเห็นอย่างนี้จิตก็น้อมไปเพื่อขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อแสดงธรรมพิสูุทั้งหลายครั้งนั้นเท้าสามบดีพรหมเนี่ยนะทราบความลำริกของเราจึงมีความปริวิตตกว่าโอ้เนี่ยนะแนะปลงวาจาว่าโลกเนี่ยพินาฏล่ะสิเนอ โลกเนี่ยจะพินาศละสิเนออันหมู่พรมในหมื่นจักรวาลเวทล้อมแล้วอันเท้าสักกะเท้าสุยามเท้าสันดุสิตเท้านิมิตเท้าปรินิมมิตวัสวัสดีก็เสด็จตามมาด้วยปรากฏอยู่เบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเท้าสามบดีพรมนั้นทรงนิรมิตแผ่นดินเพื่อเป็นที่ประทับของพระองค์เองก็ทรงคุกชานุมนฑนคือคือคุกเ ข, าข่าข้างขวาลงที่แผ่นดิน ทรงทำอัญเชลีประนมมกรที่รุ่งเรืองด้วยท่สะน้าขาสมุทานเรียกว่าประชมนิ้วทั้งสิบที่รุ่งเรืองด้วยเล็บเหมือนบัวตูมเรียกว่าการไหว้ให้งดงามก็ต้องไหว้เหมือนบัวตูมเนี่ยนะก็หลายๆคนก็บัวเฉาอันนี้ก็เข้าไหว้ที่งดงามจริงๆก็ไหว้เป็นรูปดอกบัวตูมเนี่ยนะเป็นสัญลักษณ์ดอกบัวตูมที่งดงามใครไหว้ไม่งามชาติหน้าก็เฉากันอยนะ่าแช่งคนอื่นอีกไม่ใช่เราให้ฟังก็บอกว่า ประชมเหนะประชมสิบนิ้วอันรุ่งเรืองงดงามเหมือนกับดอกบัวตูมที่เกิดในน้ำที่ไร้มนทินไม่วิกลเนี่ยแล้วก็ยกมือท่วมหัวจริงๆเนือเสียงก็คือท่วมหัวทูลอ้นอนวอนพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะแสดงธรรมโดยนัยไม่ใช่น้อยแม้ตรงนี้เนี่ยเาบอกว่านยะแห่งการอ้อนวอนของพรมเนี่ยท่านยกตัวอย่างมาตรงนี้มาห้าในด้วยกันในที่หนึ่งบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าปโปรดแสดงธรรมขอพระสุคตเจ้าทรงแสดงธรรมปโปรดเถิดหมูสัตว์ผู้มีกิเลส ด, ดุจทุลีในดวงตาน้อยยังมีอยู่เพราะไม่ได้สดับธรรมก็ย่อมเสื่อมเสียประโยชน์ไปเปล่าหมูสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมคงจะมีแน่แท้ก็อ้อนวอนเลยใช่ไหมว่าพระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคก็คือพัวา พระผู้จำเนกธรรมพระผู้มีพระธรรมเป็นต้นเนี่ยขอให้พระองค์แสดงอริยสัจธรรมเธอขอพระสุคตพระสุขโตพระผู้เสด็จไปดีแล้วไปสู่อมตะนิพานผู้เสด็จไปด้วยอริยมรรคเนี่ยขอพระองค์ผู้เสด็จไปดีแล้วเนี่ยโปรดแสดงธรรมเธอจริงอยู่ที่พระองค์คิดเนี่ยว่าธรรมะเนี่ยลึกละเอียดลึกซึ้งเนี่ยนะเห็นได้ยากรู้ได้แต่เฉพาะบัณฑิต จริงอยู่ว่าธรรมะลึกแต่ว่าหมูสัตว์ที่มีกิเลสดุทุรีในดวงตาน้อยมีอยู่เขาเหล่านั้นเนี่ยพอจะรู้ได้แต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้ฟังธรรมเขาก็ย่อมเสื่อมเสียประโยชน์ไปเปล่าหมูสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมะจะต้องมีแน่แท้เนี่ยนะข้าพระองค์ไม่รู้หรอกเป็นใครแต่ว่าพระองค์นเนี่ยต้องรู้แน่แท้ว่าจะต้องมีคนที่พอบรรลุได้อันนี้ในแรกในที่สองบอกว่าแต่ก่อนในคว้นมคต ปรากฏมีแต่ธรรมะที่ไม่บริสุทธิ์อันมีผู้มีมนทินเนี่ยคิดแล้วก็คือเอาคนเศร้ามองมาคิดธรรมะอ่ะพอคิดไปคิดมามันก็คว้าได้แต่มิจฉาทิฐิเพราะฉะนั้นมีแต่มิจฉาทิฏฐิเกลื่อนกลนกระจัดกระจายทั่วแคว้นมคตเพราะสมัยนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่แคว้นมคตเนี่ยนะแคว้นมคตในรัฐพิหารเนี่ยคือมันมากไปด้วยรัที่มิจฉาทิฐิเต็มไปหมดเลยทําให้บริสุทธิ์ก็คือมิจฉาทิฐิ บางแห่งบอกว่าเหมือนกับราชยาพิษเนี่ยนะมันเต็มไปหมดเลยเพราะว่ามิจฉาทิฏฐิลัทธิหกสิบสองโดยเฉพาะไอ้เมืองราชเชิงอะ่ะมันจะมีสภาอยู่หลายแห่งด้วยกันเป็นที่ถกลัทธิกันเนี่ยนะเขถกกันเอาตายเลยอินเดียนี่ชอบเถียงกันมากเนี่ยนะแต่ว่าไม่ชอบวางมวยแบบไทยแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเถียงกันในเรื่องลัทธิเนี่ยนะก็มีสมาคมที่ที่เรียกว่าคุยกันศูนย์รวมลัทธิเลยจะมาสนทนากัน ทีมาละทีละห้ารอยทีละพันเนี่ยนะมานั่งถกละที่กันใครแน่ก็อยู่ได้ก็จะมีการหักล้างกันพูดกันทิมแทงกันด้วยหอกคือวาจาเนี่ยนะทะเลาะกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยแหละมันละที่เนี่ยมันมีมากอย่างนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขอให้พระองค์เนี่ยเปิดประตูแห่งอมะตะนาครก็ยังไม่ได้เปิดคืออารยมรรคเนี่ยนะที่เป็นทางแห่งพระนิพพานตอนนี้ก็ปิดสนิทเลยไม่มีใครรู้ไม่มีใครบอกไม่มีใครเปิดเผยเลย ขอหมูสัตว์จงสดับธรรมะคืออริยสัจธรรมที่พระผู้ไร้มนทินคือพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ให้อริยสัจที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์ปราศจากความเศร้าหมองขอให้เขาเหล่านั้นได้ฟังบ้างเถอดทีนี้ก็คนที่ฉลาดก็ต้องอุปมาหน่อยว่าชนผู้ยืนอยู่เหนือยอดภูผาหินหรือว่าสมัยใหม่ก็ขึ้นอยู่บนตึกสูงๆเนี่ยนะตึกสูงๆเนี่ยนะอยู่บนยอดตึกเลยแหละ หรือเหมือนกับขึ้นไปบนภูเขาทองอ่ะนะจะพึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบฉันใดข้าแต่พระผู้มีปัญญาดีพระผู้มีสมันตจกักโศรู้โดยรอบเนี่ยนะสมันตจกักโศก็คือพระผู้มีพระสัพพัญญุตยานพระองค์นี้ปราศจากความเศร้าโศกแล้วเนี่ยนะพระองค์ไม่มีความโศกคือทาไมเอ๊ะทำไม ย, ยกว่าโศกก็อบอกคนเศร้าโศกมองอะไรไม่ค่อยเห็นตามบวมหมด ตามันแดงตามบวมก็เลยมองอะไรได้ไม่ค่อยไกลหมนกันคนมีความโศกเป็นอย่างนั้นฉนั้นคนที่มีมีพระปัญญาดีมีสมรตะจากโศไม่เศร้าโศกเป็นเหตุให้ตาบวมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขอให้พระองค์สเสด็จขึ้นสู่ปราศาสต์ที่สาเร็จด้วยธรรมหรือธรรมปราศาสคือปัญญาพิจารณาดูหมู่ชนผู้ระงมอยู่ด้วยความโศผู้ถูกชาติชราครอบงมแล้วอุปมาฉันนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้ก ล, กล้าผู้ชนะสงครามผู้ก ล, กล้าชนะสงครามที่จริงแล้วสิ่งที่พระองค์ทำทั้งหมดเนี่ยกล้าหมดเลยเนะไม่มีใครเห็นด้วยโดยประการทั้งปวงตั้งแต่ออกบวชแล้วเนี่ยนะเริ่มออกบวชเนี่ยพ่อเนี่ยล้อมวังเลยเนะทำกำแพงเนี่ยสูงสง่งคิดว่าปีนออกมาไม่ได้วางทหารองครักษ์และประตูที่ต้องใช้คนเป็นพันเนี่ยจึงจะเปิดได้วางทุกอย่างเพื่อไม่ให้บวช แล้วก็วันที่ออกบวชพญามารก็มาห้ามมาปราบอีกมาถึงเมืองราชครึกพระเจ้าพิมพ์ทิสารก็ไม่ได้เห็นด้วยบอกเออเดี๋ยวยกเมืองให้ครึ่งหนึ่งก็ไม่มีใครเห็นด้วยแล้วก็สมัยนั้นเขาก็ชื่นชมรัฐที่ของอาลาระดาบทอุตกะดาบทเขาก็ชื่นชมกันพระองค์ก็ไปปฏิบัติอยู่ในลัฐที่อันนั้นพระองค์ก็เดินจากออกมาก็ไม่มีใครเห็นด้วยนะมาทําทุกขระกิริยาก็ไม่มีใครเห็นด้วย นะที่อย่างพระยาทั้งหลายนี่ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเนี่ยนะคนโดยมากไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเห็นด้วยแต่ปัญจวัคคีย์นี่แหละเขาเชื่อว่าเออเนี่ยใครจะบรรลุมันต้องทำทุกะรากกิริยาสิพอพระองค์กลับมาฉันอีกปัญจวัคคีย์ก็ไม่เห็นด้วยปัญจวัคคีย์ก็ไม่เห็นด้วยพอพระองค์มาจนได้พิจารณาอีกพยามานก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยนะ ทั้งทุกอย่างเนี่ยพระองค์ทําด้วยความกล้าแม้กระทั่งการสร้างบารมีมาในอดีตชาติเป็นต้นเนี่ยมีใครเห็นด้วยมั้งชาติเป็นพระเวสสันดรให้ทานจนถูกขับออกไปจากเมืองเลยนะทุกอย่างที่พระองค์ทําไม่มีใครเห็นด้วยเลยไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลโดยรวมๆแล้วเนี่ยนะประสบความสําเร็จแล้วคนจึงมานุมโมทนาในวันสุดท้ายเลยนะ แต่ว่าตอนที่พระองค์ทำไม่ค่อยมีใครเห็นด้วยเพราะนั้นพระองค์จึงกล้ามากที่จะทําเช่นนั้นแต่ว่ากล้าถูกต้องนะนะไม่ใช่กล้าบ้าบินแบบคนโง่เขลาจนแบบแบบนี้ไม่ใช่ความสําเร็จคือความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เกิดจากความโง่เขลาแต่เกิดจากปัญญาฟั้นพระองค์นี้เป็นผู้กล้าชนะสงครามศึกทั้งมวลนี่พระองค์ชนะแล้วชนะเทวปุตตมานชนะกิเลสมานชนะมัจจุมานเรียบร้อย พระองค์นี้เป็นประดุษนายกองเกวียนนายกองเกวียนพาบริวารข้ามจากทางกันดารได้ฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นพาหมูสัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นจากวัตตะฉ น, นั้นพระองค์ผู้ไม่มีหนี้ไม่มีหนี้คือคนที่มีตัณหาเรียกว่าคนมีหนี้เนี่ยนะมันตัณหาชอบเท่าใดก็กู้เท่านั้นอ่ะพระองค์เนี่ยไม่มีการกู้อีกแล้วพระองค์ไม่มีหนี้ เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยกล้าด้วยชนะสงครามเรียบร้อยเป็นหัวหน้าพาหมูสักข่าข้ามพ้นจากวัตตาได้พระองค์ปราศจากหนี้สินว่ากันแปลว่าเป็นอิสระเต็มที่เนี่ยนะเป็นเสรีชนเป็นอิสระชนไม่มีข้อผูกพันทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยนะโปรดลุกขึ้นเสด็จจาริกไปในโลกขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงโปรดแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกเถิด หมูสัตว์ที่รู้ทั่วถึงธรรมคงจกมีแน่แท้พระอธิเถรพระองค์สงเคราะห์เขาเถรนะต้องมีคนรู้สักคนหนึ่งอย่างนั้นนะก็อันนี้เป็นเป็นการกล่าวถึงความสามารถของพระพุทธเจ้าว่าอันนั้ขอร้องว่าพระองค์เนี่ยมีความรู้มีความสามารถความสามารถที่จะช่วยหมูสัตว์ได้จริงๆแล้วก็ความที่พระองค์มีความสามารถขนาดนี้เนี่ยนะต้องมีละคนที่เห็นธรรมตามพระองค์ อันนี้ก็เป็นคำอ้อนวอนในยะที่สองในที่สามก็บอกว่า พระองค์เนี่ยตรัสรู้ธรรมะที่ควรตรัสรู้แล้วนะธรรมะที่ควรตรัสรู้มีอะไรบ้างทุกควรกําหนดรู้พระองค์ก็กําหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละพระองค์ก็ละเสร็จสิ้นแล้วนิโรธที่ควรทําให้แจ้งพระองค์ก็ทําให้แจ้งเสร็จแล้วอริยมรรคที่ควรเจริญเจริญเสร็จแล้วเพราะฉะนนั้อะไรที่ควรตรัสรู้ทั้งสังขารนิพพานบัญญัติพระองค์ก็รู้สิ้นแล้วพระองค์ข้ามโอคะที่ควรข้ามได้แล้วนีนะ เรียกว่าข้ามกาโมฆะทิถโขฆะภโะข้า ม, า ม, ม, าาวาามอาวิชโชฆะได้แล้วพระองค์หลุดพ้นจากทุกข์ที่พระองค์ควรหลุดพ้นแล้วไม่ใช่หรืออันนี้นะครับกิจทั้งมวลเนี่ยนะพระองค์ทําไว้เสร็จแล้วไม่ใช่หรือภารกิจส่วนตัวนี่ทําจบหมดแล้วไม่ใช่หรือพูดแบบภาษาหมัยใหมายบอกเรียนจบแล้วไม่ใช่หรือในที่สแล้วก็เตือนนี่ว่าพระองค์ทําความปรารถนาเอาไว้ว่าปรารถนานี้คําปรารถนานี้ปรารถนาเมื่อสี่อสงไขย แสนกับสมัยที่เป็นซุเมธบันฑิตว่าขณะที่ทอดตัวนอนลงแทบเบื้องบาศของพระพุทธเจ้าพนามว่าทีปังกรเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยก็ลืมตาขึ้นเห็นพระพุทธเจ้าก็เลยคิดว่าถ้าเราประสงค์เราก็จะเป็นพารหัน ร, รูปสุดท้ายเดินตามพระพุทธเจ้าไปแต่ประโยชน์อะไรของเราด้วยการตรัสรู้ในเพศที่ไม่มีใครรู้จักด้วยการทาให้แจ้งธรรมะในโลกนี้ คือในที่นี้บอกว่าในที่นี้คือสถานที่แทบเบื้องบาพระพุทธเจ้าทีปังกรเนี่ยทำไมเราจะต้องไปบรรลุแบบไม่ต้องมีใครรู้จักเราแม้แต่คนเดียวเราบรรลุสัพพัญยุตยานแล้วจากยังโลกนี้กับทั้งเทวโลกให้ข้ามโอกคสงสารบัดนี้พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งหลายบรรลุพระสัพพัญยุตยานแล้ว บัดนี้นะสิ่งที่พระองค์ต้องการเนี่ยนะมาถึงวันแล้วนะถึงวันที่พระองค์ต้องการแล้วในที่ห้าบอกว่าและว่านี้ก็เป็นอีกในหนึ่งว่าเมื่อพระองค์ไม่แสดงธรรมใครอื่นเล่าจากแสดงธรรมเแยลว่าคนมีความรู้มีความสามารถเช่นกับพระองค์เนี่ยนะทั้งรู้ทั้งสามารถเป็นผู้มีบุญขนาดนี้ถ้าพระองค์ไม่ทําไม่สอนนะใครจะสอนใครอื่นเล่าจะเป็นสารณะของโลกแล้วโลกเขาจะเอาใครเป็นที่พึ่งหะ ถ้าหากว่าพระองค์ไม่ให้เขาพึ่งแล้วเขาจะพึ่งใครแล้วใครจะช่วยสัตว์โลกใครจะเป็นที่เร้นของสัตว์โลกใครจะเป็นผู้ไปในเบื้องหน้าของสัตว์โลกอันนี้ก็เป็นคำที่พรหมอ้อนวอนเนี่ยนะอ้อนวอนอาราธนาเชื่อเชิญเนี่ยนะนี้ในอัตตกถาปาศราสิสูตรที่อธิบายต่ออีกนิดหนึ่งว่า ถามว่าเพราะเหตุไรจิตของพระองค์เนี่ยจึงน้อมไปอย่างนี้น้อมไปเพื่อการขวนขวายน้อยไม่ขวนขวายหรือไม่ประสงค์จะแสดงคำเนี่ยน ะ, ะว่าทาั้งๆที่พระองค์คิดว่าเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยอดีตเนี่ยพระองค์เคยคิดไว้ไม่ใช่หรือสมัยแม้กระทั่งสุเมศบัณดิตแล้วก็ตั้งความปรารถนามาอย่างนี้ทุกภพทุกชาติว่าเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วย พระองคิดอย่างนี้มาตลอดไม่ใช่หรือพระองค์ตั้งความปรารถนาไว้ว่าเราเนี่ยนะมีเพศที่ไม่มีใครรู้จักในที่นี้ทําให้แจ้งอรหัตณ์ที่นี้เนี่ยจะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเราบรรลุสัพพัญญุตยานแล้วจะทําโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามแล้วก็บําเพ็ญบารมีสร้างบารมีจนได้เป็นพระพุทธเจ้าพอเป็นพระพุทธเจ้าบอกว่าจะไม่สอนแล้วเกิดอะไรขึ้นเหมือนกัตอบว่าบอกข้อนี้เป็นความจรงิง จิตของพระองค์น้อมไปอย่างนี้ด้วยอนุภาพแห่งปัจเวกขณะยานคือด้วยอนุภาพแห่งการพิจารณาเนี่ยนะคือด้วยการพิจารณาพิจารณาอริยสัจที่ ด, ดูพระองค์ใช้เวลาพิจารณามาเท่าไหร่ พิจารณาก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยหกปีเต็มเนี่ยเป็นชีวิตในการพิจารณาเริยสัตว์ทั้งนั้นเลยเฉพาะทุกข์กับสมุทัยเนี่ยนะแล้วก็พิจารณาเนคขมมา ก, ก็คือพวกมรรคสัตว์เนี่ยนะจนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พิจารณายอย่างละเอียดละอีทท่วนเอาหลักการทุกประการมาใไขครวนเนี่ยนะอย่างกว้างขวางเป็นนัยยะหาที่สุดไม่ได้เสร็จแล้วบอกว่าอืปัจเจกขณะยานอันนี้เนี่ย ที่พระ อ, องค์พิจารณาเนี่ยนะโอมันยิ่งใหญ่เหลือเกินแล้วมูสัตว์ละมูสัตเนี่ยแล้วเขาเขาจะบรรลุได้ยังไงวะเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันละเอียดขนาดนี้เนี่ยหรืออีกในหนึ่งก็เหมือนกับ ว, ว่าถ้าเป็นสมัยใหม่เนี่ยนะพอเห็นตู้ก็ไตวิดกเข้าแล้วเราไปสอนใครเนี่ยใครไปมีเวลาเรียนอะไรมากมายขนาดนี้มีตั้งเก้าสิบเอ็ดเล่มแต่ละเล่มก็ไม่ใช่ว่าเอ่อเรียนภายในอาทิตย์ละเล่มอาทิตย์ละเล่มใช่อย่างงั้นที่ไหน อาจจะอาทิตย์ละแค่ยี่สิบสาสิบหน้าเท่านั้นนะเมื่ อ, อไหรมันจะจบแล้วเข้าเวลามันรัดตัวขนาดนี้โอ้ยมันวุ่นวายขนาดนี้เอาเวลาที่ไหนมาเรียนนะนะคล้ายๆแต่สมัยนี้ก็คิดแบบนี้นะประไตรดกโตขนาดนี้มันเจ้าต้องเรียนจะต้องมีความรู้จะต้องศึกษาอย่างต่อเนื่องเอ๊ะเมื่อไหรมันจะได้เรียนกันสักทีมันอย่าไปยุ่งเลยเหมือนกันไปตามทางของเราเถอะคล้ายๆแบบนี้นะคือพระองค์เนี่ยพิจารณาความลึกซึ้งของพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะแล้วก็พิจารณาถึงความที่สัตว์เนี่ยมีความเศร้าหมองมาก ความที่ทำเนี่ยก็ลึกซึ้งใจของเขาก็เศร้าหมองทำก็ลึกซึ้งก็เลยปรากฏว่าสัตว์เนี่ยยึดกิเลสสัตว์เนี่ยยึดติดติดข้องกับกิเลสมากทำก็ลึกซึ้งโดยประการทั้งปวงเมื่อเป็นอย่างนี้พระองค์ก็คิดว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยนะเพียบไปด้วยกิเลเสเศร้าหมองเหลือเกินกำหนัดเพราะราคะโกรธเพราะโทสะหลงเพราะโมหะเหมือนน้ําเต้าที่เต็มไปด้วยน้ําข้าวเหมือนตุ่มที่เต็มไปด้วยเปรียง เหมือนผ้าเก่าที่ชุ่มไปด้วยมันคน้นเหมือนมือที่เปื้อนยาหยอดตาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจักแต่สรู้ได้อย่างไรเล่าพราะองค์ก็น้อมจิตไปอย่างนั้นด้วยอนุภาพแห่งการพิจารณาการยึดกิเลสของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่ลึกซึ้งแล้วก็ธรรมนี้ซึงทราบ ว, ว่าลึกเหมือนลําน้ําที่รองแผ่นดินกันแล้วว่าคืต้องโอ้ยเหมือนกันน้ํารองแผ่นดินจะต้องแหวกแผ่นดินลงไปลึกขนาดไหนจึงจะถึงความนั้น เห็นได้ยากเหมือนมเมล็ดพันธุกาศที่เอาภูเขามาวางปิดเห็นยากอย่างนั้นเลยนะเอาภูเขามาปิดมเมล็ดพันธุกาศเนี่ยยกภูเขาออกยังไงเนี่ยนะแต่จริงอวิชาของเรามันใหญ่เท่าภูเขาจริงๆนะก็จะแม้แหวกแหวกออกกรลืบแต่ละลืบแต่ละชั้นออกไปได้เนี่ยมันยากเหมือนรู้ตามได้แสนยากเหมือนปลายแห่งขนทรายที่แบ่งออกเป็นเจ็ดส่วน เชื่อว่าทานที่เราพยายามนะนะทานที่เราให้พยายามเพื่อแทงตลอดธรรมะนี้อ่ะอะไรบ้างที่เราไม่เคยให้ไม่มีเศษไหนไหนที่เราเชื่อว่าไม่เคยรักษาก็ไม่มีก็คือแปลว่าบารมีอะไรบ้างที่เราไม่เคยบำเพ็ญอ่ะไม่มีเลยเมื่อเรากำจัดกำลังมารที่เหมือนไร้ความอุตสาหะแผ่นดินก็ไม่หวั่นไหวจริงๆก็คิดดูนะว่า ภาคเพียรต่อสู้กับพยมานแผ่นดินก็ไม่หวั่นไหวเพราะต่อสู้กับมานอะไรนะเมื่อระลึกชาติได้ด้วยปุเพนิวาสานุสติยานแผ่นดินก็ไม่หวั่นไหวเมื่อชำระที่พระจักษุในมัชชิมยามแผ่นดินก็ไม่หวั่นไหวแต่เมื่อแทงตลอดปฏิจจสมุบาตในปัจชิมยามบรรลุอริยสัจหมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหว เราผู้มียานแก่กล้าบอกเราเนี่ยสั่งสมบุญมาขนาดนี้มีปัญญาขนาดนี้แม้คนเช่นเรายังแทงตลอดธรรมะนี้ได้โดยยากทีเดียวะระดับเน้นอย่างยากกางันโลกียะมหาชนจักแทงตลอดอริยสัจธรรมเหล่านั้นได้อย่างไรพอน้อมมาคิดแบบนี้วับขึ้นมาแบบนี้ก็น้อมจิตอย่างนี้ด้วยอนุภาพแห่งการพิจารณาความลึกซึ้งแห่งพระธรรมคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมันก็อย่างโยมคนหนึ่งเขาว่า เขาไม่มีธุระอะไรเลยนะที่จะบรรลุนิพพานเขาเหนกันเขาไม่มีธุระอะไรเลยเขาไม่อยากบรรลุอะไรทั้งนั้นเขาไม่อยากรู้ก็อยากเห็นไม่อยากฟังแปลง่ายๆบอกท่านอย่ามายุ่งกับเขาเลยเขาเหมืนกันท่นเขาก็จะอยู่ในเช่นทางชีวิตของเขาอะทำมากกว่ยากทำมากกวลึกอยู่แล้วไอ้เขาก็ไม่อยากรู้ด้วยมันทำยังไงนะไอ้ไม่รู้มันไม่ว่ากันนะนะแต่ไอ้ไม่อยากรู้นี่มันหนักหนาสาหัสมากทำมากกวยากยากแล้วไปต้องไปเล่าให้คนไม่อยากรู้ฟังเนี่ยมันจะยากขนาดไหนเหมือนกัน มันก็เลยไม่น้อมไปเพื่อแสดงธรรมอันนี้ในที่หนึ่งนะในที่หนึ่งเนี่ยเห็นความรกชัดของหมูสัตว์ในที่สองเห็นความลึกซึ้งของอริยสัจธรรมนั่นนะก็ดูที่เราเรียนกันมาตั้งหลายปีเนี่ยมันเข้าไปถึงไหนกันบ้างเนาะโอ้ยได้ยินได้ฟังก็เป็นบุญหูแล้วเหมือนกันนะคิดอะไรมากอันหนึ่งเมื่อเท้าสามบดีพรมทูลาราธนาพองค์รู้นะว่าเมื่อเท้าสามบดีพรมทูลาราธนาพราะองค์ก็ทรงน้อมจิตไปอย่างนี้เพราะมีพุทธประสงค์จะทรงแสดงธรรม จริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าเมื่อเราน้อมจิตไปเพื่อความเป็นผู้มีความขนขวายน้อยเท้าสามบริพรมเนี่ยนะก็จักอาราธนาเราแสดงธรรมด้วยว่าสัตว์เหล่านี้เคารพพรหมสัตว์เหล่านั้นสําคัญอยู่ว่าพระศาสดาไม่ประสงค์จะทรงแสดงธรรมแต่เท้ามหาพรหมอาราธนาให้เราแสดงธรรม ท่านผู้เจริญทั้งหลายธรรมะนี้สงบประนีตหนอจักตั้งใจฟังด้วยดีด้วยเหตุนี้พึงทราบ ว, ว่าพระองค์น้อมจิตไปเพื่อขวนขวายน้อยมิได้น้อมไปเพื่อแสดงธรรมก็เพราะจะให้พรมมาอาราธนานั่นเองทีนี้ถามว่าพรมเนี่ยพรมก็คือใครบอกว่าพรมก็คือเท้าสามบดีพรมเนี่ยนะซึ่งจะได้กล่าวต่อไป